ขอ oh, ความเจริญในธรรมจงมีและท่านผู้ฟังทั้งหลายใต้ร่มปรปติยานในวันนี้นัยยะแห่งสัญญาทั้งสิบประการที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงแก่พระอ น, น์เทระเพื่อให้นำไปแสดงแก่พระกิริมานน์ซึ่งกาลังอภิภาษจูส่วนใหญ่แล้วจะเป็นแนวของวิปัสสนากรรมฐาน เพื่อต้องการจะให้มองเห็นสัตว์และสังขารทั้งหลายในแง่ของความเป็นจริงจะได้ปล่อยวางขันซึ่งกำลังยึดถือหยุ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคนป่วยแล้วก็คือจะไปยึดถือในรูปของขันกเวทนาขันเนื่องจากเวทนาอยกมาในรูปของทุกเวทนา มีการเสียดแทงปรากฏเด่นชัดถ้ากวาใจของบุคคลไปกำหนดว่าเราเป็นรูปรูปเป็นเราหรือเรามีในรูปรูปมีในเราพูดง่ายว่ากำหนดว่าเราปวดเราเจ็บเวทนาที่จะที่จะที่กำลังเกิดขึ้นก็จะมีความรู้สึกรุนแรง รอดใจไปบวกข้าวแทนที่เวทนาจะเกิดเฉพาะส่วนของกายแต่เมื่อใจไปบวกใจไปยึดข้าวก็รับรู้เวทนาเหล่านั้นกเกาติดที่ความรู้สึกปวดไปจะเพิ่มคูนทวีมากยิ่งขึ้นรอใจเข้าไปยึดมั่นถือมั่นนาที่ทรงแสดงสรุปไปว่าการที่จิตจิตมั่นถือมั่น ในขันทั้งห้าประการนั่นเองเป็นความทุกข์ซึ่งหมายความว่าถ้าใช้ปัญญาปิณิพจารณาให้เกิดความเห็นจริงในแต่ละขณะสามารถแยกเวทนาออกจากจิตที่ไปกําหนดเวทนาในแง่ที่ว่าเป็นของเราลงไปได้ด้วยการมองในแนวของวิปัสสนากรรมฐานในชั้นใดชั้นหนึ่ง เวทนาก็ปรากฏเฉพาะท่านศักระเวทนาใจก็จะปล่อยปล่อยวางผ่อนคลายความยึดติดอย่าน้อยกบ็บรนทุกบรรเทาทุกเวทนาที่กำลังปรากฏอยู่ให้น้อยลงแต่นั้นจึงทรงสอนในแนวของวิปัสสนาเป็นหลักคือมุ่งที่จะให้ใช้ปัญญาพินิจพนะิจารณาในข้อที่แปดทรงชายคำว่า สัปโลเกณฑนภิรตสัญญาคือตั้งใจกำหนดหมายเห็นว่าไม่มีอะไรที่น่าชื่นชมยินดีในโลกนี้ท่า น, นี้ก็เกือมุ่งที่จะบรรเทาการกำหนดสัตว์และสังขารทั้งหลายในแง่ที่สวยงามอันเป็นอันเป็นการเพิ่มปริมาณของกิเลสสายรากรือโลภะดังกล่าวแล้ว พอมาถึงข้อที่เก้าทรงสอนว่าสปสังคาเรสุปนิจจสัญญาแปลว่าให้กาหนดหมายเห็นว่าสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงหรือให้มองเห็นความไม่เที่ยงในสังขารทั้งหลายตอนนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าตามปกติแล้วจิตใจของบุคคล ที่ถูกปรุงแต่งโดยอำนาจของกิเลสเป็นเหตุให้มีการกาหนดหมายส์ได้สังขารทั้งหลายซึ่งไม่เที่ยงว่าเที่ยงที่ทนานใช้คำว่าสัญญาวิปละคือการกาหนดหมายที่ไม่ตรงต่อความเป็นจริงเมื่อมีการกาหนดหมายมากยิ่งขึ้นปริมาณของกิเลสสูงขึ้น หมายความว่ากิเลสสายนี้เป็นการเพิ่มโมหะธรรมดาโมหะเปรียบเหมือนความมืดเวลาความมืดเกิดเพิ่มขึ้นภาพต่างๆก็จะมีความชัดเจนน้อยลงจนถึงกับไม่เห็นอะไรเป็นอะไรที่เรนชายสํานลนทั่วไปว่าไม่รู้ป่าปุ่นคุณโทษ คืหมายความว่าสภาพจิตในขณะนั้นถูกโมหะกลุ้ม ร, มรุมไปมากเหมือนสภาพแวดล้อมที่ถูกความมืดคลุมห่อเอาไว้มันก็มองไม่เห็นในการกำหนดมากข้าวเระเก็บสะสมไว้ภายในใจก็กลายเป็นความรู้สึกที่เรียกว่าจิตตะวิปลาสคือความคิดคิดที่ไม่ตรงต่อความเป็นจริงหรือคลาดเคลื่อนจากความจริง จนการกำหนดหมายความคิดเหล่านี้เก็บสะสมเป็นตะกรอนใจควางลึกอยู่ภายในจิตสันดานกลายเป็นความเห็นที่เรียกว่าทิฏฐิวิปลาสและจากทิฏฐิวิปลาสนี้เองเมื่อมีการเก็บการสะสมมากขึ้นก็จะกลายเป็นทิฏฐิประเภทหนึ่งที่ท่านเรียกว่าสัสตทิฏฐิ คือความเห็นว่าสัตว์และสังขารทั้งหลายเป็นของเที่ยงแทน้แน่นอนแต่จากจุดนี้เมื่อขยายวงกว้างออกไปก็จะมองเห็นว่าสัตว์และสังขารทั้งหลายนั้นมาจากจุดเริ่มต้นอาจจะเรียกว่าพรหมมันบ้างปรมามันบ้างปุรุษะบ้างพระเจ้าบ้างหรือเรียกชื่ อ, อย่างอื่นบ้างและในที่สุดก็จะ กลับเข้าไปสู่สภาวะที่เที่ยงแท้เหล่านั้นซึ่งข้อนี้เป็นที่น่าสังเกตแต่คนไม่ได้สังเกตเพราะถ้าควาสภาพยืนโรงเช่นนั้นมีจริงๆ จ, จะเรียกชื่อว่าอย่างไรก็ตามจะต้องเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปถูกกำนาจของกิเลสจุดดึงมาสู่สังสารวัติมีการหมุนวนประสบความสุขความทุกข์อยู่ในสังสารวัตเป็นว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัต แล้วไปถึงจุดหนึ่งจะเข้าไปรวมกับที่มาอย่างเดิมก็ถือว่าเป็นเอกันต์บรมสุขคือสุขสุดยอดถ้าที่เชื่อเือกันโดยลื ม, มองไปว่าตัวเดิมนั้นเคยถูกกิเลสปรุงแต่งเมื่อมีความบริสุทธิ์เหมือนเดิมก็คงถูกกิเลสปรุงแต่งให้หมุนวนเข้าสู่วัฏจกักรอีกแต่คนไม่ได้ใช้ปัญญาวิเคราะห์ พิจารณาในส่วนนี้จึงมีการกำหนดหมายในแนวว่าเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนและจากจุดนี้เองก็ให้เกิดเป็นภวะตัณหาขึ้นมาภาวะตัณหานั้นส่วนลึกภายในจิตใจของบุคคลมองเห็นสรรพสิ่งที่ตนเป็นตนมีหรือตนได้ว่าเป็นของเที่ยงแท้แน่นอน จึงปรารถนาสถานะความเป็นการด้วยประการต่างๆโดยเข้าใจว่าความเป็นเหล่านั้นเป็นตัวยืนโรงไม่มีความเปลี่ยนแปลงแปรป ร, รวนความคิดของคนในยุคสมัยนั้นจึงกระจายออกไปเป็นรูปทิฏฐินาณ า, าประการจุดเริ่มต้นก็เป็นจุด เ, เล็กๆคือการกำหนดหมายเท่านั้นเองแต่พอเก็บสะสมมากข่าวมากข่าว มันกลายเป็นอาสวะเป็นอนุใสเป็นทิเป็นสังโยชน์ที่คลองใจสัตว์ไปอาจจะเป็นปัจจัยให้เกิดเป็นสักกายติฐิคือความเห็นเป็นตัวเป็นตนหรือมีตัวมีตนที่เดินทางจากพบสู่พบโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงความคิดเหล่านี้พระเจ้าทรงแสดงว่าเป็นสัตตะทิฐิ ก็ให้เกิดเป็นภวะตัณหาขึ้นภายในจิตใจเพราะนัจจ้ภาวะตัณหาที่มีอยู่นั้นส่วนลึกจริงๆก็คือเรื่องของสัสตตตทิฏิที่ความเห็นว่าเที่ยงนั่นเองพระคนเข้าใจว่าเที่ยงจึงมีการปรารถนาไขว่้ที่จะได้จะมีจะเป็นกันโดยประการต่างๆแม้บางครั้งอายุจะล่วงการผ่านไวัยไปจนถึงเป็นคนแก่คนเฒ่าแล้ว เรียกว่าจะมีชีวิตอยู่ยังไม่กี่พื้นผ้านุ่งแล้วก็ยังปรารถนาความมีความเป็นมีการยื้อแจ้งต่อสู้เพื่อได้มีได้เป็นเพราะส่วนลึกๆจริงๆนั้นคือสัสธรทิฏฐิเราผลักดันให้เกิดภวะทิฏฐิคือความเห็นว่ามีความมีความเป็นที่ยืนรงจิตมันก็สายกลายเป็นภวะตัณหา มีการขัดดันจากแดงเพราะว่ตาตถาก็ออกมาในการไข่คว้าสแสวงหาความมีความเป็นด้วยประการต่างๆพระพุทธเจ้าจึงทรงสแสดงว่าเป็นความเห็นที่วิปลาสคือไม่ตรงต่อความเป็นจริงได้แก่การไปเห็นของที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนว่าเป็นของที่เที่ยงแท้แน่นอนดังนั้นจึงสั่งสอนในบุคคลเริ่มกําหนดหมายแนวใหม่ ในจุดที่เคยกําหนดหมายไว้เที่ยงแท้แน่นอนนั่นเองแต่กําหนดหมายโดยเสริมปัญญาขึ้นไปแทนที่จะเสริมโมหพะพอจะเสริมโมหะแล้วยิ่งมืดไปโดยดำดับใ้ความเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงขึ้นไปโดยดําดับดังกล่าวแล้วในจุดนี้ก็มองในแง่ของความเป็นจริงวัและสังขารต่งางๆนั้นไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนมีความเปลี่ยนแปลงแปรป ร, ปรวนอยู่ตลอด แต่ว่าการจะตวนกระแสวความคิดซึ่งไหลแรงในลักษณะนี้ไม่นจะเป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายๆดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงระ ด, ดมสรรพสิ่งลงไปให้บุคคลใช้คิดใช้พิจารณาเปลี่ยนความไม่เที่ยงในสัตว์และสังขารทั้งหลายแม้แต่กรรมฐานในแนวกายานุปัสสนาที่ได้กล่าวมาเมื่อคืน ก็ต้องการมองให้เห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสัตว์ในสังขารทั้งหลายเมื่อไม่เที่ยงแท้แน่นอนก็จะเกิดเบื่อหน่ายคลายกำหนัดมองเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นของที่ไม่น่ายินดีพู้เหนี้ที่จริงจะเริ่มเห็นสักจุดเดิมื่อเห็นได้ในจุดอื่นๆแต่ในส่วนนี้ทรงสอนในแนวของอนิจจสัญญาโดยกําหนดหมายเห็นว่าเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนเรา จ, จะมองเป็นรูป ง, ง่ายๆ่าง ชีวิตของคนเรานั้นเหมือนโคที่เดินไปสู่ตะแเหล่งแกงหรือที่ที่ก็จะฆ่าถูกอย่างเท้าที่โคเข้าวไปนั้นก็ใกลใ้ความแตกดับเข้าไปทุกขณะชีวิตของบุคคลเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงไปโดยลําดับท่านเรียกว่าวัยยะระยะเราเรียกว่าวัย วายา ก, ก็คือความสิ้นไปความเสื่อมไปนั่นเองแต่พอดีความสิ้นไปความเสื่อมไปก็มีอยู่สองแนวแนวหนึ่งท่านเรียกว่าชาราปิดไทยเรามาใช้ว่าเจริญวัยเป็นความเสื่อมความสิ้นในรูปของความเจริญคือเสื่อมสิ้นจากจุดเล็กๆแล้วก็เปลี่ยนมาโดยตำาับ จากเด็กเล็กๆ เ, เป็นเด็กโตขึ้นโดยลำดับความคิดในชั้นนี้คนไม่ค่อยมองเห็นในแง่ของฉลาดแต่ถ้าถามเด็กซึ่งอายุน้อยกว่าพรเราแก่ไม้เราเป็นคนแก่ไม้เด็กก็จะบอกว่าเป็นคนแก่เพราะเด็กแก่วัดจากแก่เมื่อแก่ ก, แก็แก่แกก็ถือว่าเป็นคนแก่แต่พอเรามองจากคนแก่คนแก่ก็บอกว่าเราเป็นเด็ก มันจึงสามารถหลอกตัวเองไว้ได้ว่าเรายังไม่ค่อยแก่โดยอาศัยฟังคําของคนเท่าคนแก่ไว้ทําให้บุคคลมีความประมาทในวัยและในความเสื่อมในวัยในชีวิตและในความไม่มีโรคซึ่งเป็นพื้นเรื่องเหล่านี้ก็กลายเป็นสิ่งที่เกี่ยวเนื่องถึงกันหมายความว่ามาถ้าเริ่มจากการกําหนดอย่างนั้นแล้วจะต้องออกมาในลักษณะ น, นี้ ดังนั้นจึงส่งสอนให้พิจารณาถึงความเปลี่ยนแปลงต่างๆต่างในชั้นข้อความเกิดความแก่ความเจ็บความตายหรือการพลัดพรากต่างๆหเห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงไปตลอดบางครั้งกายแก่ดํารงอยู่ได้นานเห็นความเปลี่ยนแปลงได้ยากรราพระพุทธเจ้าทรงใช้วิธีในแนวของการอุปมาเทียบเคียงให้ดูเช่นให้ดู ร่างกายเหมือนกับฟองน้ำจงเกิดขึ้นเกาะกลุมกันแล้วในสุดก็แตกกลับไปแต่การมองแนวนี้บางครั้งก็อาจจะมองเหมือนกยาดน้ำค้างก็ได้เพราะที่จริงคือหยิบอะไรก็ตามที่มันเป็นรูปธรรมขึ้นมาสอนแล้วก็มองเห็นได้ง่ายๆกรยาดน้ำค้างที่เกาะกลุมกันอยู่บนใบไม้ทั้งหลายเวลาใกล้รุ่งหรือว่าตอนสา ง, สาง และในสุดก็จะเกิดแท่งไปโดยลํำดับจนหมดสิ้นไปหยาตามค้างเริ่มจากความไม่มีกลายเป็นความมีเราะมีเหตุปัจจัยและในที่สุดก็จะกลายเป็นความไม่มีเหตุปัจจัยให้แก่มีเกิดขึ้นอีกแก่ก็มีอีกเหตุ ป, ปจัจจัยเสื่อมสลายไปเกิดขึ้นแก่ก็เริ่มเสื่อมแล้วก็จบตรงที่ไม่มีนั่นก็คือวัตจักรของหยาตามค้างที่เกิดขึ้นบนปลายใบไม้ รายปลายาทั้งหลายชีวิตของคนก็มีลักษณะอย่างนั้นพระสงสอนมองเห็นถึงความไม่เที่ยงที่บังเกิดขึ้นในชีวิตลักษณะาการกําหนดมาเห็นความไม่เที่ยงที่เรียกว่าอนิจจลักษณะคราวนี้ผมสังเกตว่าการมองในแนววิปัสสนานั้นมองสังขารทั้งหลายจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตามอาจจะเป็นนามธรรมก็ได้รูปธรรมก็ได้ มองในแง่ของความไม่เที่ยงแท้แน่นอนฉันยกเอารูปประคันขึ้นมาพิจารณามองรูปประคันจะเห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนอาจจะรูปเราเองหรือรูปของบุคคลอื่นก็ตามจริงๆก็สงใช้ทั้งสองแบบถ้ารูปของเราเองก็เรียกว่ากายยัคตาสติบ้างถ้ารูปของคนอื่นก็เรียกว่าอสุภกรรมฐานบ้างหรือบางทีก็สุภกรรมฐานนั่นเองก็มามองที่กายตนเอง เรียกว่าอสุภสัญญามองเห็นเรงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิตในเป็นช่วงๆไปในช่วงยาวๆก็แบ่งเป็นวัยทั้งสามที่เรียกว่าปฐมวัยมัจจิมวัยแล้วก็ปัจจิมวัยแล้วก็มองหยาบๆไปก่อนหลังจากนั้นก็มองในเชิงของรายละเอียดที่ว่าสังขารทั้งหลายนั้นเมื่อเกิดขึ้นก็จะมีการดำรงอยู่แล้วในที่สุดก็จะแตกต่างไป นั่นก็มองในแนวรวมๆหรือจะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ได้แต่ถ้ามองคนก็ส่งสอนในแนวที่ว่าเกิดแก่ตายเกิดก็ที่จริงก็คือเกิดขึด้นแก่ก็คือการตั้งอยู่ตายก็คือแตกดับไปโดยมองเห็นว่าสาสตร์และสังขารทั้งหลายนั้นมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปการเกิดก็ต้องมีเหตุปัจจัยให้เกิดแต่เหตุปัจจัยให้มีก็เกิดไม่ได้ แต่เมื่อเกิดมาแล้วเพราะสิ่งนั้นอาศัยการเกบคุมของเหตุปัจจัยแก่ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยเพระเหตุปัจจัยแต่ละอย่างนั้นมีความเปลี่ยนแปลงในตัวของมันเองเมื่อมาเกบคุมกันเข้าก็ต้องเปลี่ยนแปลงบางครั้งราแสดงให้เห็นภาพทีวีจิตงดงามต่างๆเส้นพระราชรถอันวิจิตงดงามยังต้องคร่ำคร่ายัางต้องชรายัางต้องแตกหักไป ชันใดชีวิตของคนและสัตว์ทั้งหลายก็มีลักษณะเช น, นั้นแต่จะต้องแปรเปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะสังขารที่มาประกอบประชุมกันจะแข็งแกร่งขนาดไหนก็ตามแต่ว่าเป็นสังขารก็ต้องอยู่ในสภาพอย่างนั้นนี่เป็นการสอนให้มองในแนวรวมรวมมองวัตถุใหญ่ๆเป็นชิ้นเป็นอันก็ได้แต่บางครั้งพอมาถึงพวกเวทนาซึ่งเวทนาแก่ไม่ได้อยู่นานอย่างนั้น ก็เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดส่วนมากจะให้มองตอนต้นๆก็จะมองเพียงสามอย่างคือไม่ได้แยกไปรายละเอียดเป็นสุขเป็นทุกข์หรืออทุกขกรมสุขสุขก็คือความสุขกายสุขใจทุกข์ก็คือความทุกข์กายทุกข์ใจอทุกขรรมสุขก็คือความสุขความทุกข์ที่ไม่ปรากฏเด่นชัดเป็นลักษณะของกลางๆตามปกติแล้วคนปรารถนาความสุข ความประสงสองนันดูความสุขก็ความสุขเองแกก็เกิดมาจากเหตุปัจจัยแกดำรงอยู่เพียงชั่วขณะอาจจะเปลี่ยนแปลงสุขมากขึ้นแต่ก็ถึงจุดหนึ่งแกก็ต้องลดเอลดถึงจุดหนึ่งก็กลายเป็นทุกข์แล้วแม้แต่ทุกข์เองเมื่อเหตุปัจจัยให้ทุกข์เกิดขึ้นแกก็ทุกอาจจะทุกข์มากอาจจะทุกข์น้อยแต่ในที่สุดก็จะเปลี่ยนแปลงอาจจะเป็นสุขหรืออาจจะเป็นกลางกลางแม้กลางๆ ก, ก็จะมีลักษณะอย่างกัน เั้นตั้งกายตั้งเวทนาจึงไม่มีอะไรที่น่าชื่นชมยินดีแต่มุ่งหมายคาดหวังว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้ก็นี่ในเชนของศีลธรรมจันจาแต่สงสดงว่าแต่สิ่งทั้งหลายเป็นไปตามการมุ่งหวังความต้องการของคนอาจเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้ตามที่ตัวต้องการแล้วบุคคลก็คงไม่ต้องใช้ความเพียรพยายามอะไร แต่ว่าสิ่งทั้งหลายแต่เพราะสิ่งทั้งหลายมีความแปรปรวนไปนั่นเองบุคคลจึงต้องใช้ความเพียรพย า, ยามในั้นศิลธรรมจรญยาจึงมุ่งควบคุมความเปลี่ยนแปลงให้ไปในทิศทางที่ดีหมายความว่าสิ่งเหล่านั้นแก่เปลี่ยนแปลงก็เปลี่ยนแปลงไปเช่นว่าร่างกายของบุคคลเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปเราทำอะไรไม่ได้ อย่างดีก็เพียงชะลอไว้ให้แก่ช้าลงเท่านั้นเองจะในขณะเดียวกันเมื่อสังขารทั้งหลายมันเปลี่ยนแปลงจิตใจเวลาเกิดบาปเป็นเกิดความอาฆาตทาบาทเกิดความเครียดแค้นจิงจังเกิดความลิษยาในเมื่อแกไม่เที่ยงจะเปลี่ยนแปลงไปได้เราก็สร้างเหตุปัจจัยใหม่ที่จะให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีเมื่อสร้างเหตุปัจจัยขึ้นมาสิ่งเหล่านั้นก็จะทําหน้าที่สลาย อันนั้นในประสูนตรประสูตรหนึ่งที่ทรงแสดงใช้คำว่าสันเลขสูตรคือสูตรที่ว่าด้วยการขัดเกลา์ึตก็หมายความว่าพื้นฐานที่มีบาปมี็อกุศลอยู่ภายในใจไลบุกคนเสริมสร้างสิ่งที่เป็นอกุศลขึ้นเพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเช่นว่ามาศสัตยะคือความไม่เชื่อหรือความเครียดแลงสงสยัยไม่มั่นใจ ในกรรมในผลของกรรมเป็นต้นก็พยายามเพิ่มพูนศรัทธาหรือความเชื่อขึ้นมาภายในใจพอความเชื่อเกิดขึน้นก็จะทำหน้าที่ขัดกลวความไม่เชื่อความเพร่ยแพร่งสงสัยลงไปโดยลาดับแล้วก็เปลี่ยนแปลงได้เป็นการควบคุมความเปลี่ยนแปลงให้ไปในทางที่ดีตำนองใกล้ๆกับว่าคนเล่นส ก, กีหรือเล่นอะไรหรือลอยเรือ ลงมาตามกระแสน้ำก็พยายามคุมเอาไว้อย่าให้ไปเกิดอันต ร, รายหรือไปชนเอาหินโ ซ, โซโครกหรือชนเอาตะลิง่งต้นเพื่อไม่ให้ประสบอันต ร, รายได้รับการบาดเจ็บดังนั้นบางครั้งในชั้นของการดำเนินชีวิตรู้เจ้าจึงสอนในแนวคนรออยู่ในกระแสน้ำเป็นการรออยู่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง คือมันไหลอยู่ตลอดไม่อยู่นิ่งเราเองก็ถูกไหลจะทำยังไงคุมให้ไหลไปในทิศทางที่ดีเป็นไปเพื่อความสวัสดิ์แล้วก็ไม่ควรจะปล่อยตัวเองให้ไหลไปเรื่อยๆควรจะประคับประคองตัวเองทวนกระแสน้าขึ้นมาให้ได้และการควบคุมตัวเองให้ทวนกระแสน้านั่นเองบางทีก็ทรงแสดงรูปคนประเภทต่างๆเอาไว้เห็นว่าคนบางคนก็จมลงไปเลย บางคนก็โผล่ขึ้นมาแล้วก็จมลงไปอีกบางคนโผล่ขึ้นมาได้ระยะหนึ่งกระแสน้ำแรงๆก็จมลงไปอีกบางคนก็ประคองตัวไปได้ไม่ถึงก็บจมเดียวขึ้นตลิ่งไม่ได้บางคนก็ขึ้นมาวนตลิงงได้ในทสุดก็ทงแสดงว่าคนที่จมลงไปนั้นก็หมายถึงคนที่จมลงไปด้วยกระแสบาปอคุศลหรือทาตนให้ตกต่ำลงไปประเภทชีวิตที่เราเรียกว่ามืดมาแล้วก็มืดไป หร้อสว่างมาแล้วมืดไปคนบางคนนั้นจมลงไปแล้วก็โผล่ขึ้นมาได้อาจจะเคยทําชั่วทําผิดด้วยประการต่างๆแล้วเกิดสํานึกขึ้นมาพยายามที่จะต่อสู้กับอารมณ์หรือกิเลสที่รุนแรงเหล่านั้นรักษาตนไว้ได้ในระดับหนึ่งแต่พอเจอแรงๆก็จมลงไปอีกแล้วคนบางคนอาจจะประคองตัวอยู่ได้นานๆ ในสถานการณ์ปกติธรรมดาแต่พอถึงสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปมีแรงกระแทกกระทันรุนแรงก็ อ, อาจจะจมลงไปอีกบางคนก็ประคองตัวอยู่ได้เป็นสัตว์ุรุษเป็นบัณฑิตเป็นบิ น, น, บนยุชนที่จริงก็เป็นผู้ทุชนแต่ประคางประคองตนอยู่ได้ไม่ตกอยู่ภายใต้กระแสของกิเลสหรือกระแสของอารมณ์ต่างๆท่านผู้ฟังทั้งหลาย และร่มประสติญาณในวันนี้ข อ, อยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูรในธรรมจุมีแต่ท่านผู้ฟังทลายโดยตัวกันสวัสดี